พระธรรมเทศนาลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าปฏิปทาวันตัดสรุวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองมีนาห้าสี่ทําำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านถึกศึกษาให้ลดละอย่างไง ให้ปฏิบัติตนอย่างไรให้คิดอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสำหรับคารวาสอย่างที่ผมได้กล่าวท่านก็สอนว่าอยู่ด้วยกันให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันให้มีเมตตาต่อกันให้มีน้ำใจต่อกันให้มีทานะคือการเสียสละคือทานถ้าคนไม่มีทานไม่มีการเสียสละ พวกท่านทั้งหลายจะอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกนั้นเป็นไปไม่ได้มีแต่คนเห็นแก่ตัวมีแต่คนคิดตัวหนีทีเหนียวทุกแห่งหนไปที่ไหนก็ไม่มีการเสียสละไม่มีการใขรยอมใครไม่มีการหลีกให้กันใครอยู่จุดไหนก็อยู่จุดนั้นเพราะใครได้เปรียบแล้วก็นะไม่ยอมแบ่งใครเราคิดดูก็แล้วกันเพราะพุทธเจ้าว่ก การเสียสละการให้ทานะให้อภัยนั่นแหละเป็นดีจากนั้นศีลก็คือค อ, อยู่กดรละเบียบทุกคนอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบถ้าหากว่าคนเราไม่มีกฎไม่มีระเบียบคุ้มครองไม่มีก ฎ, มมกฎหมายคุ้มครองต่างทาตามอาเภอใจตามอัตถาใจอัตถาใจหรืออาเภอใจ ตัวยแนวความคิดของตัวเองไม่ใช่บอกมันจะไปในทางสร้างสรรค์ตลอดโดยมากมันจะเห็นแก่ตัวมันจะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นถ้าตัวเองได้เปรียบแล้วก็มีอํานาจเหนือเขากิเลส ต, ตัวนี้มันจะเหยียบย่ําไปหมดมันจะไม่ยอมใครทั้งหมดเพราะนั้นต้องมีกฎระเบียบถึงคุณจะมีอํานาจขนาดไหนก็เถิดถ้าทําผิดแล้วก็คือผิด คนจะด้อยอ่อนด้อยขนาดไหนก็เถอะถ้าคุณทําถูกแล้วก็คือถูกกฎหมายหรือว่ากฎกฎติกาของโลกต้องคุ้มครองอันนี้ก็คือกฎระเบียบคือกฎหมายสรุปแล้วก็คือศินนั่นเองในหลักของพุทธศาสนานราฝศินสินคุ้มครองศินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ดสิน 7, สนพิสมาจารมีมากสําหรับพระภิกษุสงฆ์ไม่ใช่ศินธรรมดา ไม่ใช่สินคุ้มครอง่กายวาจาเท่านั้นเป็นสินคุ้มครองแนวความคิดทางใจอีกต่างหากสินของพระพุทธเจ้าให้เข้าวตีกรอบให้ใจของเราเดินสู่มรรคผลแต่ถ้าว่าสิลของเราเปรอะเลอะเทอะเลือนลางความคิดความเห็นของเราออกไปนอกรูนอกทานทั้งกายทั้งวาจาไม่มีกรอบ จะพูดอะไรก็พูดจะทำอะไรก็ทำถ้ามีศีลห้าก็อยู่ในระดับหนึ่งถ้าศีลแปดก็อยู่ในระดับหนึ่งศีลสิบก็อยู่ในระดับหนึ่งศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็อยู่ในระดับหนึ่งถ้ามีศีลอภิสมาจาร์บวกเข้าไปอกีกในการเป็นอยู่ของพระพระจะออกทางกายทางวาจาต้องระวัง การจะพูดทางวาจาก็ต้องระวังการจะกระทําทางกายก็ต้องระวังผิดศีลอภิสมาจารไหมอย่างไว้หนวดยาวอย่างไว้ผมยาวอย่างไว้เล็บยาวไม่ปงผมไม่อาบน้ําเำล้วนแล้วจะเป็ น, นศีลอภิสมาจารสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาถ้าว่าเราทําถูกต้องแล้วแี่ไหนกายวาจาของเราเรียบร้อยไม่มีโทษ การที่จะอยู่นสถานที่ใดไปนักสถานที่ใดคบค้าสมาคมกับบุคคลใดอยู่ในกลุ่มไหนสถานหน้าไหนเราก็สบายใจไม่มีใครตำห น, นิติเตียนติฉินอินทาเราได้เพราะเราอยู่ในหลักพระธรรมวินยัอยอจากนั้นเมื่อเราอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยดีแล้วจนเราจะมานั่งภาวนาทีไน มานั่งภาวนาคือทำจิตใจให้สงบเลยกรรมอันนี้คือหลักหลักใจเนะี่ยเข้ามาที่แรกก็อยู่ข้างนอกขยับเข้ามาขยับเข้ามาจนมาถึงเรื่องของใจนะเรื่องของใจเนะี่ยในทางโลกเขาไม่มีถ้าจะว่าไปแล้วเขาคิดแต่ถึงสมองสมองก็คือแนวความคิด ความจําจากนั้นก็ใช้วิชาความคิดความสมองที่ว่าสอบเอามาสอบกันสอบแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็สอบเอาความรู้ที่ได้มาทั้งจําทั้งลืมไปด้วยทั้งได้ด้วยทั้งจําด้วยทั้งนํามาปรับปรุงแก้ไขการเป็นอยู่ของตนได้ด้วยแต่บางครั้งวิชาที่ได้เรียนมาไม่ตรงกับวิชาอาชีพที่ตัวเอง หาอยู่หากินอีกต่างหากก็มีต่างเยอะต่อเยอะบางคนทั้งที่เรียนแพทย์เรียนหมอไปทํามาค้าขายหาเงินเรียนทางคณิตศาสตร์หรือว่าการค้าพาณิชก็มีแต่ว่าหลักของพระพุทธศาสนาท่านที่สอนสอนพวกเราแนวความคิดคือใจ ไม่ใช่สมองสมองอยู่ที่หัวของเราอยู่ที่ศีรษะของเราถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนเอเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เหมือนอยู่ในรถสมองกลลักษณะอย่างนั้นรถทุกคันทุกยุคสมัยใหม่เขามีสมองกลเราเนี่ก็มีสมองกลอยู่ที่ศีรษะของเรา แต่คนเราเห็นแต่สมองกลเพราะมันเป็นรูปรู ป, ประธรรมแต่มองไม่เห็นใจคือนามประธรรมแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกสมองกลมันอยู่ในรถแต่ผู้ที่ไปใช้สมองกลนั่นคือคนขับรถแต่นี้สมองกลอยู่ที่ตัวของเราคือสมอง แต่ผู้ที่มาใช้สมองนั่นคือใจนี่หลักของพุทธศาสนาค้นคว้าลึกลงไปอีกคือนามธรรมคือใจท่านเยา ว, วัาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละอันนี้ก็คือหลักที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเพราะนั้นพวกเรามามาบวชในคราวนี้ก็เช่นเดียวกัน ถึงจะไม่ได้ถึงมรรคถึงผลแต่พวกเรากควรจะเรียนรู้เอาไว้ว่าหลักของพุทธศาสนาหรือปรัชญาของพระพุทธศาสนานี่ท่านให้ศึกษาเรื่องอะไรจุดใจจริงๆเรื่องเรื่องศึกษาเรื่องของใจเรื่องปริยัตทั้งหลายทั้งปวงนะั้นเหมือนกับแผนที่ว่าจะเดินไปถู่จุดหมายปลายปลายทางไหนเหมือนกับกางแผนที่ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่เดินตามแผนที่แผนที่นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ อ่านจบแล้วก็วางไว้ที่เดิมเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้ตายไปตามแผนที่แต่นี่นถ้าว่าเราได้ยกขึ้นมามาอ่านเพราะอ่านเสร็จแล้ ว, ลวเราก็เดินตามแผนที่นั่นแหละจึงจะเห็นเรื่องเราวรวื่อความเป็นมาแลร ว, ว่าความเป็นไปเราจะได้ศึกษาเรืวว่ปฏิปทาหรือพระพุทธเจ้าพาดาเนินยังไงพระสงฆ์สาวกเดินยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินยังไง วิธีการเดินเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องจิตเรื่องปัญญาตะได้มาพูดถึงเรื่องแนวความคิดเรื่องกายวาจานี่นก็คือสินแลแต่ก่อนที่จะสินจะสมบูรณ์ไปได้ก็จะต้องมีจิตใจอีกเหมือนกันมันจ้อนเข้ามาหาใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเหมือนกัน ถ้าร่างกายไม่มีใจสยอย่างร่างกายนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกับรถถ้าว่าไม่มีคนขับร่างกายนันจะเป็นยังไงมันก็ไปไม่ได้ถ้าว่าใจของเราไม่ได้คิดไม่ได้อ่านกินเหล้าเมายาไปสักใจ ม, มันมัวเมาเหมือนกับใจสมองของเรามันขาดเคลื่อน มันเครื่องคอมพิวเตอร์มันมันลวนอย่างงี้ถึงจะสั่งยังไงมันก็ไม่ไปบอกบิดบอกผิดบอกถูกไปอย่างนั้นเราก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันนี่แหละจุดนี้ก็คือจุดหนึ่งเหมือนกันที่พวกเราจะต้องศึกษาแต่ต้องฝึกฝนแต่บางครั้งถึงมันจะลวนยังไงเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไข ใจของเราเนะี่ยมันมีสิ่งที่แปรปวนฝังลึกอยู่ในนั้นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในนั้นคืออะไคือตัวกิเลสกิเลสโลภโกรดสงราคะโทสัโมหะมันฝังอยู่ในตัวนั่นแหะคือตัวใจนั่นนะพร้อมที่มันจะโผล่ออกมาถ้าไปเห็นสิ่งที่รักมันก็รักกำหนัดยินดีมีมากมายหลายอย่างที่ความรักตัวนั้น ราคาถ้าไม่ไม่พอใจมันก็โผล่ขึ้นมาอีกอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหโกธาออกมาอีกในจุดเดียวกันถ้ามีความหล ง, หลงขึ้นมามีความโลภขึ้นมาเห็นอะไรเมื่อก็นนะ้นั่นอยากจะได้อยากอยากอยากอยากจะให้มาเป็นของตัวเองทั้งหมดทั้งการมเจรคผทั้งเรื่องวัตถุสิ่งของ มีมากมายเรื่องความโลภแตเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่สรุปแล้วก็คือความหลงถ้ามันไม่หลงถ้ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันจะไม่โลภมันจะไม่โกรธมันจะไม่รักนี่จะทำยังไงจุดนั้นแต่เนี่ที่จะแก้ความหลงจุดนี้ได้ทาอย่างไรจะเข้าไปหาจุดนั้นได้นี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเนี่ย ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองค์นะเข้ามาข่าวนี้ให้มาศึกษาค้นคว้าจุดนี้จุดที่พระพุทธเจ้าพาไปค้นคว้านะท่านศึกษาเรื่อง อ, อะไรอันดับแรกท่านก็ไปทดสอบทดลองถึงหกปีวิธีการของพระพุทธเจ้าไปทดสอบทดลองนั้นมีมากมายในปฐมสมโพธิหรือ ว, ว่าพุทธประวัติแต่นี้เราเหมือนกับเขาลองวิทยาศาสตร์นั่น เข า, าจะทดลองเรื่องไหนก็ตามความเสียหายอย่างที่เขาทดลองนั้นบางเรื่องเป็นร้อยพันพันหมื่นหมื่นแสนเป็นชั้นแสนเป็นล้านล้านเป็นร้อยรยล้านเออบางทีก็สมสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาแต่บางครั้งก็ไม่สำเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาเพราะการทดลองทดสอบนั้นมันเป็นเหมือนเหมือนกับ ทดลองวิทยาศาสตร์หรือว่าทดลองสิ่งที่เราต้องการอันนี้พระพุทธเจ้าไปทดลองทดสอบท่านเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายของมวลมนุษยชาติเพราะปู่ย่าตายายก็ตายมาคนที่อยู่ด้วยกันก็เห็นตายเห็นแก่ต่อหน้าต่อตาจะทำอย่างไรจรึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้คือสิทธัตถะ พระพุทธเจ้าของเราท่านมองเห็นท่านเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงแต่มนุษย์ของเราเห็นธรรมดามนุษย์เกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ศิลปฐานะไม่ได้ไม่ได้มองอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงเหนือกว่าพวกเราจวบสยามภูรู้แจงโลกหลัจากนั้นท่านก็ออกไปอยู่ในป่าทดลองวิทยาศ า, วว า, ตศาสตร์จิตศาสตร์มโนศาสตร์ก็ใช่จิตศาสตร์ก็ใช่ ความนึกคิดของใจแต่ท่านที่แรกท่านก็ไม่รู้หว่าความนึกคิดของใจนั่นคืออะไรแล้ท่านก็ไปอยู่ในป่าค้นคว้าศึกษาจะทํำยังไงจึงจะแต่ใจมุ่งมั่นเกินร้อยจะทํำยังไงจึงจะไม่มาเกิดแก่เก็บตายจากนั้นท่านก็ไปศึกษาอยู่ในป่าหลงพงไพจากนั้นก็ไปศึกษากระดาบฏ ทั้งสองท่านตามตำราท่านศึกษาจบวิชาดาบทวิชาฤาษีท่านก็ไม่ใช่ยังไม่ใช่หนทางอันนี้เพียงแต่เพียงสมาธิเพียงแต่เป็นสิ่งสงบระงับเหมือนกับก้อนหินทับญ้ามันจะไม่ไม่ใช่ถอนลากถอนโคนเพียงแต่ว่าทับไวเ้เฉยๆมันโผล่ขึ้นมาได้อีกวิชาของฤาษียังไม่ใช่ทางจากนั้นท่านก็ ออกมาอยู่ตามลําพังอีกค้นคว้าศึกษาโดยพระองค์เองท่านว่าความรู้สึกตัวนี้มันมาจากไหนทําไมมันจังเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหันปล่อยก็สูญออกมาไม่รูก้กี่ดอกตกี่ลูกทําให้ลยใจของเราปั่นป่วนวุ่นวายอยู่ในตัวของเราหาความสุขไม่ได้อย่างนี้มันเพราะไม้เพาะไรทดลองอดภัคยาหารี่สิ ท่านอดพระกาหารถึงสี่สิบเก้าวันเอาแต่ค่าความรู้สึกตัวนี้มันจะเป็นยังไงมันอยู่ในร่างกายเนี่ยนะความรู้สึกตัวนี้มันจะไปที่ไหนมันอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ใช่ใจใจมันยังออกนอกตู้นอกทางยังปั่นป่วนได้อยู่ท่านว่าไม่ใช่กิเลสมันไม่อยู่ในกายกลับมาฉัน ป, ปกยพาาระกายหันจากนั้นท่านก็ ในปถมสมโพธ ท, ทดลองปิดจมูกด้วยอปิดปากปิดจมูกปิดหูไม่เห็นลมออกได้มันมีความตัวอยู่ในกายนั่นแะถึงท่านจะปิดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อีกสลบไปครับพอลมไม่ออกจากนั้นท่านก็ คงไม่ใช่ก็นึกถึงสมัยท่านเป็นกุ ม, มารสิทธัตถะที่ไปแลกนาขวัญกับพระบิดาที่พระบิดาพาไปแลกนาขวัญสนมกรรมนันทั้งหลายก็อยากจะไปดูพระเจ้าจุดโธธนะัแลกนาขวัญก็ปล่อยให้สิทธัตถะที่เป็นกุ ม, มาร น, นอนอยู่ใต้ ร่มว่าตามลำพังปูที่นอนให้เสร็จเรียบร้อยแลย้วปะปูเสร็จแล้วพวกขนมกำนันก็ไปดูการแลกนาขวัญก็คงจะดูอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่คงจะมองดูได้แต่สิทธัตถะท่านมีบุญบา ร, รมีเก่าเคยสั่งสมมาในอดีตชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระ อ, องค์แต่ก่อนก็เคยเป็นลือสีสีไพ เคยบำเพ็ญตะปะมาอย่างโชคส่นมากต่อมาบำเพ็ญมาทุกอย่างเพื่อหวังปรารถนาโพธิญาณแต่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์แล้วตอนี้พระองค์มีบุญวาสนาบุญเก่าเป็นผู้เคยบำเพ็ญมาแล้วในอดีตทำอะไรก็เหมือนกับมันมันมีสิ่งที่บ่งบอก พระองค์ก็เห็นว่าในช่วงนั้นพระแม่พี่เลี้ยงทั้งหลายทั้งปวงออกไปดูพระบิดาแลกนาควัดพระองค์ก็ลุกขึ้นมาตามลําพังนั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิแล้วกําหนดลมหายใจเข้ารัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออก ของพระ อ, องค์เป็นเด็กอยู่นัเนนะแต่ว่าใจของพระ อ, องค์ไม่เป็นเด็กใจของพระ อ, องค์ใหญ่เพราะแก่ด้วยบา ร, รมีแตร่ร่างกายนั้นเป็นเด็กแต่ใจของพระ อ, องค์นั้นแกข่งเต็มเปลี่ยมไปด้วยพระบารมีเพราะชาตินี้ชาติเป็นชาติสุดท้ายแล้วจะได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระ อ, องค์นั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกก็คงเป็นวิชาฤาษีสมัยเก่าท่านเคยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิเดี๋ยวเนี้กำหนดลมไหวผิดผิ ด, ผดถูกถูกได้บ้างเสียบ้างเป็นสมาธิดีบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างจิตเป็นหนึ่งบงั่งรวมเป็นอัปปนาสมาธิบั้งอุปจารสมาพิ้งคันคณิกาสมาธิบั้งจิตใจธรรมดาบาั้งเนี่ยเราทดลองผิดถูกมาพระพุทธ อ, องค์ก็ทําอย่างนั้นมาก่อน ไม่รู้กี่พบกี่ชาติที่ท่านเป็นลือสีแลาะเหาะเหินเดินฟ้าได้ได้ชานโลกีอย่างท่านเป็นสุเมธาดาบทท่านก็เหาะเหินเดินฟ้าได้แต่มาคราวนี้ท่านก็นั่งภาวนานิสัยเก่าของท่านอุปนิสัยเก่าของท่านนิสัยดั้งเดิมของท่านที่เคยฝึกมาแล้วในอดีตชาติ มันไหลไปเองเกิดขึ้นเองจากนั้นพระองค์ก็นั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้วหายใจเข้าหายใจออกรู้วหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นจิตพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมลงเป็นหนึ่งจนเกิดอรพิเนหานจากนั้นนางขนม กำนันเห็นว่าพระเจ้าจุดโททนะแลกนาขวัญจวนจะเสร็จก็คิดถึงพระลูกเจ้าก็เลยหันกลับมามาเห็นพระลูกเจ้านั่งสมาธิหนึ่งอยู่ตามลาพังจากนั้นพระองค์ก็ออกจากสมาธิตอนบ่ายแล้วนี่แหละในความสำนึกในจุดนั้นเมื่อนั่งสมาธิในคราวนั้นแล้วจากนั้นก็ไม่เคยจิตรวมหรือจิตเป็นสมาธิอีก อา้จะเปรียบเทียบกับการได้ริมรถของพระธรรมของพระ อ, องค์ในวันนั้นเหมือนกับพระ อ, องค์อยู่ตามลำพังเดินไปเดินป่าไปตามลำพังไปเห็นน้ำหิวกระหายน้ำคือจิตใจของพระ อ, องค์ว้าวุ่นคิดปลงฟุ้งพอกิเลสเไม่ใช่ว่าบาลมีไม่ใช่ว่าจะมีแต่สมาธิธรรมเท่านั้น มีกิเลสราคะโทสะโมหะมันแฝงมาเป็นกระตักกระตักเหมือนกันแต่นี้พระองค์เมื่อไปเดินเมือนกับอยู่ในในกลุ่มของกิเลสพระองค์แบวกไหวแนวของกิเลสเหมือนป่าลกชัดกิเลสเหมือนกับป่าลกชัดแต่พระองค์เดินผ่าป่านป่าลกชัดเข้าไปในป่า ไปไปเห็นบ่อน้ำอย่าง น, นีไปเห็นบ่อน้ำํำอยู่ในป่าเต็มไปด้วยจอกและแหนนพระองค์ก็ดื่มน้ําไปเห็นกวาดจอกแหนออกแล้วก็ดื่มน้ําอิ่มโอ้โห น, น้ํานี่รสดีมากอร่อยมากจืดสนิท ด, ดีน้ําเย็นใสสะอาดจริงๆน้ำเนี่ยจากนั้นก็พระองค์ก็ ออกมาจากป่าโดงลกชัดนั้นมาสู้มาบำเพ็ญเกิดใหญ่ขึ้นมาก่อนได้เรียนวิชาอาชีพตามความเหมาะสมในยุคสมัยนั้นวิญาวิชาทธนงธนูวิชาปกครองวิช า, อ, ชาอะไรหมดทุกอย่างที่เขาจะสอนให้พระองค์รับหมดทุกอย่างเป็นผู้แกล้กลงสามารถไม่มีใครเสมอเหมือน ในยุคสมัยนั้นด้วยบุญบา ร, รมีของพระ อ, องค์ด้วยที่พระ อ, องค์จะได้มาเพลิมาสมบูรณ์บริบูรณ์จากนั้นก็พระ อ, องค์ก็ได้มีพระวดสชายยาจากนั้นก็มีพระโอรสตามประเพณีของโลกโลกเขามียังไงพระ อ, องค์ก็มีตามเขาแต่ในใจของพระ อ, องค์นั้นคงจะคิด คุณคิดอยู่ตลอดเหมือนกันเพราะว่าเกิดมาเห็นแต่คนแก่ปู่ย่าตายายไปไหนหมดแล้วเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละความคิดของพระ อ, องค์จากนั้นพระ อ, องค์จึงได้หลบหนีจากเปียงวังเพราะเห็นว่าขืนอยู่ต่อไปก็คงจะตายเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นชีวิตทั้งชีวิตตายแบบเหมือนกับคนตายทั่วๆไป เราจะมาตายอย่างนี้ได้เหรอเราจะต้องไปส่อแสวงหาทางไม่ตายเป็นยังไงคงมีสิ่งที่มันตายมีแต่สิ่งที่ไม่ตายต้องมีถ้ามันมืดมีเราก็ต้องมีแสงสว่างพระทิย์พระจันทร์มันคู่กันมาตลอดสิ่งที่ไม่ตายต้องมีเนี่ยสิทธิษฐะท่านคิดเหนือกว่ามนุษย์จากนั้นท่านจะหนีออกจากเวียงวังไม่อะไรในการเป็นอยู่ของโพง์ ไปอยู่ตามลำพังถึงหกปีลองผิดลองถูกเพราะนั้นพระ อ, องค์ในวันเดือนหกเพนนนั่นเป็นวันที่เป็นวันสูตรสำเร็จของสิท ธ, ธัตถะพุทธเจ้าแต่ก่อนหน้านั้นการทดลองทดสอบเหมือนกับทดลองวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบมากมายแต่ มันจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนกันไหมก็มีส่วนเหมือนกันเราจะปฏิเสธไม่ได้ที่ทดลองทดสอบดูแต่ว่าดู น, นั้นไม่ใช่สูตรสําเร็จแต่วันที่สูตรสําเร็จนั้นท่านทําอย่างไรที่พระองค์บอกวิธีการทํามานั้นอันนั้นเป็นเป็นแนวทางบางคนอาจจะเดินตามแนวทางที่พระ อ, องค์เดินผิดมาแล้วแล้วก็เดินตามนั้นแปลว่าเดินอย่างนั้นแปลว่าไม่ถูก ทางที่ถูกเยเดินอย่างนี้พราะพระองค์ก็บอกวันนั้นเป็นยังไงพระองค์บอกบอกว่านั่งสมาธิวันเดือนหกเพนก่อนที่จะนั่งสมาธิพระองค์ก็นึกย้อนไปถึงสมัยเป็นกุ ม, มารเป็นเด็กที่ไปแลกนาควันกับพระบิดานั่นท่านย้อนไปถึงจุดนั้นอีกอันนั้นเป็นกำมังเป็นหนทางคือเป็นหนทางคือ เข้ามาอบรมทางด้านจิตใจท ไ, ไม่ใช่กายนดที้ใจทีใจอบรมใจแต่ทดลองทดสอบนั้่ออบรมทดลองทางกายแต่ถึงจะกายหิวขนาดไหนแต่ใจก็ยังมันยังคึกขนองโมโหโอธธาได้อยู่มันยังไม่ใช่ทางแต่คราวนี้อบรมใจท่านก็นั่งสมาธิ พอนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจตามที่ศิท ธ, ธะเมื่อท่านเป็นกุ ม, มารกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกจิตของพระองค์ใจของพระองค์ไม่คิดถึงอดีตบังคับไม่ให้จิตคิดถึงอดีตบังคับไม่ให้คิดถึงอนาคตให้จิตอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้แต่ กานั้นก็เถอะถ้าเราได้ศึกษาในจุดนี้พระ อ, องค์ก็บังคับจิตพระ อ, องค์ยากเหมือนกันจิตใจของพระ อ, องค์ก็เศร้าแบบสลปบออกไปข้างนอกไม่แพ้พวกเราเหมือนกันทำไมเราจึงรู้ว่าพระ อ, องค์สลปบออกไปเพราะพระ อ, องค์ไปเห็นนางตันหาราคะอรอดีพยามาณแห่เป็นเป็นอะไรอันนั้นเป็นปุกคาทิฏฐาน ต, ตันหากนะ็คือตาราคาไนงะ ตาลาคะนางลาขะนางตันหานางอิจฉาตาร้อนกระรุปแล้วก็คือกิเลสลาคะอยู่ในจิตใจของพระองค์พระองค์นึกคิดไปทางอสมัยคิดถึงสมัยเป็นคารวาสมีความสุขอย่างไรกับกิเลสสนมกำนันเพศหญิงชายอันนี้พระองค์ก็ต้องคิดไปในทักขณะนั้นทําไมพระองค์จึงได้สู้ กับพยามารถึงไปสู้กับผู้หญิงนี่พยามารทำมามจึงส่งนางตันหาราคะเข้ามาสู้กับพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ยนะมันสะแวบออกไปไปรักในกิเลสกามล า, าคะการมตัญหากามล า, าคะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เสร็จสวยงดงามน่ารักใคร่ชอบใจพระองค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะไม่คิดถึงอีกเรื่องการมกิเลชนั้นตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้าที่บำเพ็ญมาในอดีตจึงเป็นนางธรณีบิดม่วยผม ออกมาน้าออกมาคือน้ำาระไทยน้ำใจขององค์จังเด็ดเดี่ยวพยามารกับนางตันหารักร า, าคะเสนามานทั้งหลายทั้งปวงออหลดุดลวยไปทั้งหมดตายไปทั้งหมดไม่คิดถึงพอไม่คิดถึงจากนั้นก่อนพระองค์ก็กาหนดดูพระพัไทยขององค์ไม่ให้คิดออกไปข้างนอกเมื่อพยามารสิง ไม่ได้คิดออกไปข้างนอกกิเลสราคะโทสะมันก็ไม่เข้ามาลหลบหวนใจขององค์เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละท่านีท่านก็ระลึกเออเป็นเกิดญาณทัตนะเกิดฌานะาขึ้นมาระลึกชาติโผนหลังได้เรียกว่าปุเพในวาสานุสติยานระลึกชาติผนหลังได้นี่แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสูในวันนั้นคือฌานที่หนึ่งพอถึงเที่ยงคืน เกิดฌานที่สองขึ้นมาจุตูปะปะตาตญาณพอถึงจวนสว่างขึ้นมาได้ฌานีอว่าอาสาวกยญาณนี่ยหะยานของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ในวันเดินหกเพนนนั้นมีสามขั้นที่ได้มาพูดพวกเราเดินยังไม่ถึงอาสาวกยญาณแล้วก็ไม่ถึงกับจุตูปะปะตาตญาณ เราจะมาพูดถึงปุเพในวาสานุจติยานคือเบื้องต้นพระองค์ทำอย่างไรจิตใจของพระองค์จึงไม่คิดปุ่งฝุงออกไปข้างนอกพระองค์ตั้งจิตแน่วแน่อย่างไรนี่แหละจุดนี่แหละพวกเราต้องศึกษาทีแต่โดยมากเราจะศึกษาหยุดจุดนี้บางทีนั่งออกไปไม่รู้มันไปที่ไหนพอกำหนดไปจิตใจอารมณ์หนึ่งก็แทรกขึ้นมา แทรกขึ้นมาเป็นสองทั้งที่ลมก็รู้ลมก็เห็นแต่ใจดวงหนึ่งกัไปที่ไหนก็ไม่รู้มันออกไปข้างนอกได้อยู่นะสิ่งเหล่านี้เราต้องหาวิธีการหรือหาวิธีที่จะปรับตัวเองให้อยู่ให้มันนิ่งนิ่งให้ได้บังคับให้ได้ให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าให้มีสติ เวลาหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่บางครั้งมันมีอารมณ์เป็นคู่กันอย่างที่ว่าทั้งหายใจออกได้ด้วยทั้งมีอารมณ์คิดไปทางอื่นได้ด้วยจะทำยังไงบางทีจิตหายใจเข้าขบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็รู้ว่าพุทธโท แต่บางครั้งมันก็ลมหายใจมันก็หายไปอีกรู้แต่พุทธโธบางบางทีพุทธโธก็หายอีกมีแต่ลมมันมีมากลากลายในการปฏิบัติของพวกเราตอนนี้หลวงพ่อจะสรุปยังไงถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือตรงว่าเมื่อเราภาวนากาหนดลมหายใจเข้าตบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโธ แต่ถ้าหาว่ามันยังมีสวัสดิออกไปอยู่มันมีอารมณ์เข้ามาให้ทดลองดูสิให้เหมือนกับหายใจเข้ากระดูกโพรงจมูกเราเป็นกระดูกจะให้มีหนังมีเนื้อให้มันหายใจให้มันเห็นกระดูกด้วยให้มัเห็นกระดูกด้วยให้มันเห็นพุทธทด้วยให้มันเห็นลมด้วยทดลองดูมันทำไมมันออกไปเอามันสามดูสิให้มันเห็นพุทธดด้วยเห็นเห็นลมด้วย เห็นโพรงก็ดูด้วยมันหายใจเข้าโพรงจมูกไม่ใช่ล่ะอนี่แหละแต่ถ้าว่าพอกําหนดเข้าไปแล้วมันหายเลยลมก็หายพุทโธก็หายในเมื่อมันหายอย่างนั้นให้ให้เราเอาสติจับอยู่ตัวผู้รู้ใครรู้ว่าลมหายใครรู้ว่าพุทโธหายไม่ต้องตามหามันอีกนะไม่ต้องตามหาพุทโธไม่ต้องตามหาลม ให้อยู่กับตัวผู้รู้นะั่นแหะใครรู้ว่าลมหายใครรู้ว่าพุทโธหายนี่แหละตัวนั้นแหละคือใจเราอยากจะได้ตัวนั้นน่ะเราไม่ใช่ย า, ยากจะได้ลมนะลมนี่เป็นเครื่องเหมือนกับรอยเท้าของโคเท่านั้นเองเราเห็นรอยเท้าโคแล้วก็ตามรอยเท้าโคไปไล่ตามตามตามไปพอไปถึงโตโคแล้วอนะ่ะเราจะไปหาตามมันจะดูรอยโคมันทำไม ไม่ต้องดูลอยโคเห็นจับโคเลยเอาเชือกมัดคอโคเลยนี่ก็เหมือนกันถ้าเร า, เาลมก็หายพุทโทก็หายร่างกายเราก็หายแต่เรามีความรู้สึกอยู่เอาสติจับอยู่ที่ความรู้สึกนั้นอย่าให้ส่งไปทางอื่นให้มีความรู้สึกอยู่ในนั้น เอาสติอยู่ตับกับตัวผู้รู้นั่นนี่แหละถ้าตัวผู้รู้ได้เป็นยังไงหลวงพ่อนั่นหละไม่ต้องพูดต่อไปเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีนีน่ถ้าว่าไปความกรจิตจะต้องรวมแล้วทีนีน้มันไม่มีทางไปจับตัวได้แล้วเหมือนกับวัวจับเชือกมัดคอมันแล้ใส่หลักแล้วทีนีน้มันจะไปที่ไหนวะมันก็อยู่เลยทีนีน้เน่งนี่รวมได้นี่แหละวิธีการ ที่จะจับจิตให้สงบจากนั้นก็เมื่อจิตสงบแล้วขั้นตอนจะพิจารณาละลงพองเดินวิปัสสนาและเดินอย่างไรให้จิตสงบขนาดไหนจึงจะเดินวิปัสสนาได้อันนี้ท่านไม่ได้บอกว่าจิตสงบระดับไหนถ้าจิตของเราใจของเราอยู่ธรรมดานะถึงจะไม่จิตสงบก็ได้เราไปเห็นซากศพไปเห็นคนตาย ไปหไปเห็นคนเออเราเป็นแพทย์เป็นหมออย่างนี้เราไปเห็นไปผ่าตัดซากศพอย่างนี้เราก็น้อมมาหาเราโอ้ร่างกายของมนุษย์นี่มีเพียงแค่นี้นออีกสักวันหนึ่งเราอาจจะถูกผ่าอย่างเขาก็ได้ถ้าเราเป็นไส้เลือดเนี่ยเราต้องถูกผ่าถ้าเป็นโรคตับเนื่ยบางเราที่อาจจะถูกผ่าผ่าตัดตับผ่าตัดปอดผ่าตัดหวัวใจเหมือนกับเขา เขากับเราไม่แพ้กันเพราะมีธาตุขันเหมือนกันเออร่างกายของเรานี่เป็นเพียงแค่นี้นะใจนะผู้รู้นะใจนะเนี่ยไม่ใช่สัญญานะมันมันมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นสัญญาเ็จริงอยู่แต่มันน้อมขามาหาใจคือตัวผู้รู้อันนี้แหละท่านว่าเดินมิปัสสนาแล้วให้รู้เห็นตามความเป็นจริงใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลาย ร่างกายนีมีเพียงแค่นี้หนออีกสักวันหนึ่งจะต้องทิ้งลงแผ่นดินทั้งหมดทำไมใจของเราผู้รู้ของเราขนาดนี้รู้รู้เนี่ยทำไมเราจึงไปหลงหลงร่างกายหลงร่างกายตัวเองได้ตหลงหลงร่างกายตัวเองก็หลงเงินคำทรัพย์สมบัติเงินหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงไปหมดพี่น้องเพื่อนฝูงหลงไปสดประเทศชาติบ้านเมืองสาคัญตัวเองผิดไปทั้งหมดเพราะมันหลงร่างกายเออ เราในทําไมลงนี่แหละอันนี้ก็คือเดินวิปัสสนาแล้วไม่ถึงกับจิตสงบก็ได้แต่ว่าน้อมไปในทางทําจิตใจให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือวิปัสสนาแต่ถ้าว่าจะถึงจะทําอย่างนี้ได้นะแต่คิดจิตถ้าว่าจิตใจธรรมดาเนี่ยมันจะทําไม่ได้โดยมากมันจะเห็นแล้วก็เบอร์ๆไปแล้วก็ คิดๆไปแล้วว่าไม่ใส่ใจเรืเอเขาเป็นไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแล้วก็จบๆไปโดยมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าว่าจิตที่เป็นสมาธิที่เยเมื่อเราฝึกเป็นสมาธิแล้วทำจิตใจให้นิ่งแล้วจิตเป็นอุปจาระจิตเป็นคณิกะอุปจาระอ ป, ปนาจิตที่ผ่านความสงบแล้วจิตที่กันกรองและจิตที่นิ่งแล้ว เราจะมองหาอะไรเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยเมื่อจิตเรานิ่งแล้ว เ, เหมือนกับน้ํามันนิ่งเออเรามองสงบงหน้าไปดูเราก็เห็นใบหน้าของเราเพราะน้ํามันนิ่งถ้าว่าน้ํามันกระเพื่อมตลอดเวลาจะมองไม่เห็นมันกระยุดขยับไปเลยมันไม่ชัดเจนนิจใจของเราเหมือนกันถ้าใจของเรานิ่งสกัก่อนถึงอัปปนาสมาธิเออจน ไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่คณะสถานที่ใดเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราจิตเขารวมลงเป็นหนึ่งไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนเมื่อจิตเรารวมลงเป็นหนึ่งแล้วนะจากนั้นถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิจิตอยู่ในระดับที่ว่าควบคุมสติควบคุมจิตจิตคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้จิตใจของเราจะไม่ไปตามกิเลส ท, ที่มันปุงฟุ้งคิดไปเหมือนแต่ก่อนก่อน ใจเขาเนี่ยมันจะคิดเรื่องอะไรมันมีสติครอบอยู่มีสติเป็นเครื่องกํากับอยู่ตลอดเวลานี่แหละถ้าว่าเป็นไปได้จิตขณะจิตที่ทําอย่างนี้แหละจิตที่เป็นอุปจาระอย่างนี้นะ่ะมาพิจารณาถึงธาตุขันธ์ร่างกายพิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาถึง อวัยวะร่างกายของเราตั้งแต่ผมขนเล็ดเป๊บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้า ม, มหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเราจะเห็นจะเห็นได้ชัดเจนเพราะเหตุใดเพราะจิตที่ผ่านสมาธิแล้วนี่แหละท่านจงให้ท่งสมาธิให้จิตรวมซะก่อนจึงพิจารณาทางด้านปัญญาวิปัสสนาแต่ถ้าว่าเรานั่งภาวนาแล้วมันจิตใจมันยังไม่รวม เราจะพิจารณาเลยก็ได้เอาสัญญาของเราเนี่ยไขยควรทบทวนมันเป็นอย่างนั้นจริงหมายใจให้ถามกลัวตัวผู้รู้คือใจของเรา เ, เพราะท่านว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นต้องถามใจตัวผู้รู้นั่นแหละคือใจเอาใจใจนี่แหละมาพิจารณาร่างกายเอาใจใจนี่แหละให้รู้แจ้งเห็นจริงกับตัวเองอย่าหลงน่าใจอย่าไปหลงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหน้าใจ มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาณใจนี่แหละในเมื่อเราพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนทบทวนด้วยสัญญาด้วยสังขารสัญญาคือคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งปรุงแต่งของใจคือตัวสังขารปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งไปในทางที่ถูกต้องมันก็เป็นมักสัญญาก็าเหมือนกันถ้าจำได้หมายรู้ ขึ้นมาแล้วก็พิจารณาปล่อยวางมันก็เป็นมักแต่ถ้าว่าสังขารความปรุงแต่งแต่งให้มันเจ็ดสวยงดงามน่ากำหน้ารักใครกําหนัดยินดีมันก็เป็นกาฏตัญหาภาวตัญหาวิภาวะตัญห า, ะะญหาทั้งสัญญาและสังขารแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นเป็นมักเป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าพาดําเนิน เป็นหนทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะนี่แหละคือการปฏิบัติในการภาวนานะขอให้ใหพารุก พ, า, า, นพานักศึกษาทั้งหลายฟังแล้วออแล้วใครปฏิบัติ ด, ดูมีความสงสัยอย่างไรจากนี้จกจะถามหลวงพ่อนะต้องคิดให้ดีก่อนถามนะหลวงพอมีภาระมากต้องคิดให้ดีก่อนถาม หลวงพ่อพร้อมพร้อมที่จะตอบให้พระลูกพระหลานและพระทุกองค์ฟังได้และวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนี้แหละนะสรุปแล้วก็คือเบื้องต้นหลวงพ่อให้สอนสอนเรื่องศรัทธาให้ความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์เชื่อในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อในการประพฤติปฏิบัติเชื่อเชื่อในศีลสมาธิปัญญา ให้คุณค่าให้ประโยชน์อย่างไรสำหรับตนเองจากนั่นก็ใ ห, ให้มีสินใ ห, ให้มีทานให้มีการเสียสละให้มีสินสินคุ้มครองสินดีแล้วทรัพสมรวมกายวาจาดีแล้วจากนั้นก็มาพิจารณามาดูใจของตเองทํายังไงใจเป็นมิจฉาทิฏฐิทํายังไงใจเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็ยกประเด็นพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราเป็นตัวอย่างท่านทาอย่างไรน่หละ บรมครูฮะจากนั้นก่อนเนี่ยพระพุทองค์ตัดกิเลสยังไงทําใจยังไงภาวนาอย่างไ ร, ท, งไ ร, ยยงไรท่านทดลองทดสอบอย่างไรที่ท่านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลพวกนั้นพวกเราก็ น, นําแนวทางของท่านนะ่ะมาประยุกต์ใช้กับตัวของเราถ้าพวกเราได้นํามาประพฤติปฏิบัติแล้วหลวงพ่อคิดว่าพวกเรากคงจะได้รับความสงบ เรื่องสมาธิทางด้านจิตใจไม่มากก็น้อยหนะลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกหลานทั้งหลายปวดมาทั้งทีอยากจะให้พวกเราพยายามใส่ใจอย่าไปพุกคีตีโมงกันมากเกินไปให้อยู่ในความสงบนะให้ภาวนาให้ตั้งใจภาวนานะเราเป็นอยู่กี่วันกี่เดือนเราก็รู้แก่ใจทําไมเราจึงไปปล่อยปะละเลยไปร่ำเวลาของเราให้เสียเปล่านะ พยายามั้างกลางคืนนอนนั่งให้น้อยอดอาหารบ้างทดลองอดอาหารดูการอดอาหารนี่ก็เป็นประโยชน์สําหรับพวกเราเพราะว่าเราจะได้ทดลองทดสอบดูว่าต่อไปภายภาคหน้าอเราจะเป็นแพทย์เป็นหมอความหิวโหวยของร่างกายนะั่นคืออย่างไรเราจะมีความอดทนเราจะมีความอดทนให้เราเข้าไปผ่าตัดคู่คนเอ้ยเรา อดทหารเพียงวันเดียวไม่ตายวะเราเคยอดทหารสมัยเราบวดทั้งสองสามวันยังอดได้นะความอดทนตัวนี้นะี่ยความที่เราได้ใช้ความอดทนตัวนี้เนะ่ยมันจะเป็นพื้นฐานไปนานเท่านานเพราะฉะนั้นการอดทนขันติที่ความอดทนนี่ก็จําเป็นเหมือนกันสําหรับพวกเราอยู่ในโลกในการอยู่ด้วยกันการจะโม โ, ฮโฮหโกรธา้แก่ใครก็เหมือนกันโกรธทาไมต่างคนก็ต่างเกิดมาต่างคนก็ต่างตายไป โกรธให้งโง่ทำไมมีอะไรความจริงกับพูดกันเสียถ้าจะพูดได้ถ้าไม่ควรจะพูดปรียบพูดไม่ต้องพูดพูดทำไมเพราะพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ไงสิ่งเหล่านี้ถ้ามีทำอยู่ในใจถ้ามีทำอยู่ในใจมันจะรู้จักความพอเพียงเพียงพอพ อ, พอเพียงดังั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะพระลุกพระลานทุกองค์ตั้งอก ต, ตั้งใจปฏิบัติหลวงพ่อก็เป็นห่วง ที่พวกเราเป็นพระนักศึกษามหิดนเข้ามาบวชในวัดหลวงพอ่ออหลวงพ่อก็พยายามที่มีสิ่งไหนที่ไม่ขาดตกปกคล้องอนะก็บอกกล่าวแต่หลวงพอ่อคิดว่าวัดเราเขาไม่มีอะไรอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นมีแต่ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาเท่านั้นแหละเป็นหลัก เรื่องการเรื่องงานหลวงพ่อไามา่ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายมิแต่ปัดกวาดทำความสะอาดอันนี้เป็นธรรมดาเราไปอยู่นดสถานที่ใดเราก็ต้องดูแลที่พักที่อยู่พักพาอาศัยของพวกเราแต่พวกเราไม่ดูไม่แลจะทำยังไงเปิ่อนเปื่เทอะไปหมดไม่ดีเหมือนกันวันนี้หลวงพ่อให้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรม ศิล ส, สมาธิปัญญาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นว่าสมควรกับการเวลาอทุติในการกล่าวส ม, มุิธนิยกคถาไว้เท่านี้อนต่อนี้ไปนั่งสมาธินาะที่นี้นะ